มีมนเพื่อนภิกษุสมเณมทุกรูปครับตั้งใจฟังกันแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านตั้งใจฟังการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากตั้งใจฟังให้ถูกและนำไปปฏิบัติ่าถูกต้องผลออกมาก็ จะลดน้อยไปหรือถึงกับหมดไปถ้าหากตั้งใจผิดฟังผิดหรือคิดผิดนำไปปฏิบัติก็ผิดผลออกมาก็คือทุกข์นั่นเองดังนั้นการฟังเทศหรือฟังพูดวันนี้ก็อาจจะเหมือนเดิมและบางทีก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นบางบทบางตอน วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดมกราคมเคยฟังเทศกันมาเป็นจำนวนมากแต่บางคนก็ยังดูว่าเข้าใจกันไปคนละเงและมุมกันแต่ความจริงธรรมะที่หลวงพ่อนำมาเทศนำมากล่าวนำมาตักเตือนกันนั้นจะคาดคิดเอาไม่ได้หรือโดนเดาเอาไม่ได้เพราะว่า มีในหนังสือกาลธมสูตรบอกเอาไว้แล้วว่าอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาทำไมอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเชื่อถือท่านว่าเห็นว่ามันมีอยู่ในตำรายหรือกำพีท่านคะอย่างนั้นแล้วก็อย่าเชื่อถือโดยการเดานึกคิด เอาเองหลายข้อนะสิบข้อนะแต่ว่าไปดูเอาเองเพราะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เพื่ออะไรก็เพื่อให้ทุกคนมีสัญญานั่นเองอันสัญญาเสื้อตำรามานั้นไม่ใช่สัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดนั้นคำว่าสัญญานี่มีคำเดียวสัญญาความหมายรู้จำได้เนี่ยเราพูดคำเดียวทอนนี้เอง แต่ว่าเราไปเรียนมาจากตำราอากัศสัญญาเหมือนกันแต่หลวงพ่อพูดนี่ไม่ได้พูดสัญญาแบบนั้นสัญญาคือความรู้อย่างที่เราพูดสัญญาคือมันมีมันมีในตัวมันเองเ้วยว่าสัญญาความหมายรู้จำได้เนี่ยว่าสัญญาเหมือนกันบันี้เรียนมาจากคูบาอาจารย์ก็เป็นสัญญาความจำไปอ่านหนังสือมาจากตาราก็เป็นสัญญาความจา แต่ไม่ใช่เป็นสัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้จึงว่าคาดคิดเอาไม่ได้โดนเดาเอาไม่ได้สัญญาตัวนี้คือสัญญามันลูมน่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทาให้เกิดยานปัญญารู้แจ้งคำมารู้แจ้งก็ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วนี่อย่างนี้ถ้าหากเหมือนเดิมอยู่นั่นนั้นยางไม่ถูกต้องคือยังไม่ทูกกับสัญญาที่หลวงพ่อพูดนี้ ดังนั้นเมื่อหลวงพ่อพูดแล้วบางคนนะอันนี้ก็พูดเตือนกันเอาไว้หลวงพ่อมีหนังสือที่คนแต่หลวงพ่อเขียนหนังสือไม่เต็ม น, นะพูดให้ฟังมีคนเอาเทปไปเขียนหนังสือทอดออกมาเป็นตัวหนังสือบางคําหลวงพ่อพูดเป็นภาษาบ้านหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อพูดไม่เป็นภาษากาลางหลวงพ่อจําเป็นต้องพูดภาษาเมืองเลย คนไปทอดเทจหรือเขียนมาเป็นตัวหนังสือบางคนก็ไปตีคมหมายอันนั้นมันก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะเพื่อคนจะได้รู้แต่ความจริงไปตีคมหมายทอดออกมาบางทีผิดก็ได้อย่างที่เราว่าสัญญานี้เองคำว่าสัญญาคำนี้บางทีหลวงพ่อพูดสัญญาอาจจะลึกหรือจะตื้นก็ได้อันนี้เรื่องอาการเกิดดับก็เช่นเดียวกัน คันว่าอาการเกิดดับนี้หลวงพ่อก็พูดให้ฟังเลยอาการเกิดดับบางคนพูดเอาสูงสูงมาเป็นต่ำต่ำบางคนพูดเอาต่ำต่ำขึ้นไปเป็นสูงสูงอันนี้ก็หลวงพ่อก็พูดว่าอาการเกิดดับเช่นเดียวกันหลวงพ่อเคยพูดแนะนําเอาไว้หลายท่านแต่คนเขียนหนังสือหลวงพ่ออ่านไม่เป็นน่ะเขียนหนังสือก็เขียนมาถ้าหากเป็นภาษาหลวงพ่อตีครื่หมายได้ แต่แปลได้แต่ขอให้วงเล็บไปดีที่คำตัวเองยังสงสัยนะไม่ใช่ห้ามนะถ้าวงเล็บไ่เพื่อคนพูดที่อ่านข้างหลังคำพูดของหลวงพ่อเป็นอย่างนี้ยังจะไม่เปลี่ยนแปลงบางคนตัดคำพูดทิ่ไปไปแปลเป็นภาษาแล้วมันก็เลยความหมายก็เพี้ยนไปดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสัยญาเสื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาญาเสื่อถือโดยเห็นว่าเขา เล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตาราจุดว่าสัญญาอันนั้นถ้าหากพระพุทธเจ้าห้ามบอกว่าไม่ให้เชื่อถือแต่จะมีสัญญาได้ยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างไงแต่สัญญาอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นสัญญาคำำําจําอย่างเราเกิดเมื่อนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่รู้เป็นสัญญามาจากพ่อแม่เรา หรือพี่เราปู่ย่าตายายของเราบอกว่าเกิดเมื่อนั้นวันนี้เดือนนั้นเวลาเท่านั้นอันนี้เราไม่รู้เรารู้มาจากพ่อเราแม่เราหรือว่าปู่ย่าตายายของเราสอนเราจำไปอันนี้ก็สัญญาเหมือนกันแต่สัญญาอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นสัญญารู้การเกิดของตัวเองการเกิดของตัวเองนั้นคือเกิดรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะมันเกิดจากทางนามธรรม เกิดทางสติปัญญาเกิดจากการเห็นแก้งเกิดจากการทำความรู้สึกตัวนี่เองสัญญาจึงความรู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวอดีตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้มันจะค่อยสลายตัวไปสลายตัวไปเนี่ยหลวงพ่อพูดสลายตัวไปเนี่ยบางทีทางนี้จะว่ายังไงหลวงพ่อไม่ทราบมันจะเลอะเลือนไปความไม่รู้มันจะหายไปเหมือนกับเราถูกระดานหรือถูที่สกปกหรือซักผ้า สักเครื่อเราที่มันสกปรกเราไปขยี้หลายเทือนะยองเข้าที่สกปรกนั้นมันจะเลอะเลือนไปหมดเลยแล้วก็ผ้ า, าก็จัดสะอาดขึ้นมาตามเดิมตัวสัญญาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราลูบ่อยเข้าบ่อยเข้าสัญญาตัวนี้มันจะแน่นหรือว่าจําได้แม่นยําอย่างที่เราเป็นแผลเราเคยเคยได้ยินเนตตัวหลวงพ่อเองก็เคยเปลี่ยนอย่างนั้น เนื้อเกิมีเจ้าหน้าที่ถามอย่างนั้นเวลาเราไปเรียกแต่ข่าวนั้นมันไม่มีมันไม่มีบัตรประ จ, จําตัวเขาเอึ้นปี้บ้านหลวงพอ่อปี้เขาเอึ้นปี้ทางนี่จีว่ายังไงไม่รู้แล้วก็ว่าคุณเกิดเมื่อใดวันใดเดือนใดตําหน่งแผลยุไสเขาถามอย่างนั้นผู้เขาจะออกใบเสร็จใบปีนะ้เนี่ยให้นะ่ะเป็นอย่างนั้นบ้า น, นี้เราก็ต้องรู้ว่าตําหน่แผลยุไสเราต้องรู้ที่ลี้ลับอยู่ขนาดไหนต้องรู้ เมื่อเอาพือข so ึ้นให้เขาเห็นหรือบอกเขาโอ้นี่เขาเอาไปลงหนังสือไว้อันสัญญาที่หลวงพ่อพูดนี่ก็เช่นเดียวกันจะไม่มีวันเละเลือนได้เลยจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้จึงว่ารูกแจ้งเห็นจริงถ้ารูปรูปนามก็ต้องรูปรูปนามจริงจริงอย่างที่เขียนตามตำราตาเห็นเป็นรูปลู่รูปเป็นนามอันนั้นเป็นตำราแต่ตาเห็นรูปอะไรถามถึงรูปนามไม่เข้าใจบางคน นลวงพ่อยเองก็เคยจำมาไม่เข้าใจแต่เมื่อมารู้แล้วมันก็เรียกว่ารูปนามเหมือนแต่ไม่ใช่รูปน้ำอย่างเรียนมาจากตำรานั่นเป็นอย่างนั้นจิ้ว่าสัญญามันรู้เองแบบ น, นี้รูกทำน้ำทำรูกทำเราก็เข้าใจว่าเป็นอันนั้นแต่ความจริงมันก็มีจริงๆเมื่อทําได้จริงๆเห็นรู้เข้าใจเพราะสัญญานี้เองเมื่อสัญญารู้แล้วจะมีเอจะไม่มีวันเลอะเลือนเลย อยากทมคายอยู่ทางนั้นตลอดเวลาคือรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราน อ, นอนอยู่คนเดียวหรือพูดกับเพื่อนไปเราก็ไม่รู้พอดีคนมาถามเรื่องลุ่มนามชัดขึ้นมาทันทีเนี่ยเป็นอย่างนั้นจิตวิสัญญาจาได้ไม่พลาดเลยเนี่ยบัดนี้เมื่อเขาถามถึงเรื่องสมมติเขาก็จะรู้ทันทีเลยเพราะเขารู้มาดีสัญญาเขาไปสัมผัสมาเองแต่ไม่ใช่สัญญาอย่างที่ว่าสาลา ก, กสมมุติขึ้นมา เสื้อกางเกงหรืออะไรต่างๆในสัญญาอันนี้สมมติอันนี้ก็จริงแต่ตัวสัญญามันรูขึ้นมานั่นมองยังว่ามันก็เป็นสัญญาเหมือนแต่มันรนูจริงนี่จังหะขอ <c oughs> ขอกับพวกเราทุกคนอ่านหนังสือไปพบบางสิ่งบางอย่างนั้นให้เข้าใจคำพูดของหลวงพ่อไม่คงที่ก็มีบางคำนะอย่งว่าเตือนกันเอาไว้แบบนี้ถ้าคนในเอาเทปไปเขียนก็ตามหลวงพ่อไม่ได้สมวนนะ แต่ยินดีคนเอาไปใช้ได้แต่ขอให้วงเล็บเป็นคฎหมายไว้เออคำนี้เราไม่สามารถที่จะแปลออกมาได้ก็ต้องรักษาไว้แต่วแปลออกมาได้แต่คำเดิมให้มันยังคงที่อยู่หลวงพ่อเข้าใจว่าเมื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้จำไว้เพราะเขาจะตีกฎหมายหรือเขาจะปฏิบัติรู้มาเป็นอย่างนั้นบัด น, นี้เมื่อถามถึงทุกขังอันนีจังอนัตตาหลวงพ่อก็เรียนเหมือนกันนะเรียองกลับครูกับอาจารย์นะทุกขังอันนีจังอนัตตา ทุกเปรว่าขนไม่ไหวอันนี้จังไม่เที่ยงอนาตตาบังคับบัญชาไม่ได้ตําลาพูดอย่างนั้นครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้นแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันก็จริงคําพูดนั้นจริงอยู่แล้วแต่ตัวจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนีม่มันเป็นอย่างนั้นจงอ๋อคําพูดมันจำเคลื่อนไปได้มันคาดคิดไปไอย่างที่ พระพุทธเจ้าหรือใครก็ไม่รู้จึงตัดไว้ในหนึ่งซื่งคามะสูตรอว่ายาเสื้อถืออย่างนั้นถ้าหากเสื้อถืออย่างนั้นทําไมพระพุทธเจ้าจะไปห้ามอย่างนั้นไว้ทําไมในสมัยพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนกันเลยจึงสอนให้รู้จักแล้วไปทําเองนว่าไม่ให้เสื้อถือใครทั้งหมดให้โจดเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสขึ้นมาเองเป็นสัญญาความหมายรู้จําได้จริงๆมาจาก มันสมนองหรจากตัวกฎของธรรมชาติจริงๆคือมันมีธรรมชาติของมันที่ให้จริงๆเรื่องนี้เรื่องศาสน า, ศาพุทธศาสนาบาปบุญเนี่ยมาจากสัญญาโดยกฎของธรรมชาติที่หลวงพ่อเรียนมาอันนั้นมันเป็นตำราครูบาอาจารย์สอนให้มันมันเป็นตำราจํามาจากครูบาอาจารย์พอดีรู้อันนี้มาคำเรียนมาจากครูบาอาจารย์เรียนมาจากตำราเละเลือนไปเลย เพราะอันนี้มันเข้ามาแนบแน่นอยู่แล้วอย่างนี้เป็นอย่างไรจึงว่าทำให้คนเตรียมไปจากความเป็นอื่นไปไม่ใช่ทำให้เป็นอันนี้เปลี่ยนนะทำให้ใจิตใจเตรียมไปจากสภาพเดิมได้จริงๆอันนี้หลวงพ่อว่ามันเป็นหน้าที่ทุกคนทำได้แต่เราไปฟังนั้นถ้าหักฟังได้แล้วรู้แล้วอันนั้นอาจจะถูกของคนนั้นก็ได้แต่เรายังทาตามสภาพเดิมนั้นแสดงว่า เรายังมีอะไรอยู่ในตัวเราเรายังไม่รู้สิ่งที่ลี้ลับเราจะมองไม่เห็นเพราะสัญญาอันนั้นมันไม่ไม่แสดงออกมาที่หลวงพ่อพูดในวันนี้ก็ผิดเดิมก็ได้แต่เหมือนเดิมนั่นแหละคำพูดที่ว่ามีแต่เตือนกันให้ทุกคนพยายามทำตัวของตัวให้มันเต็นขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้ฟังเอาได้จดจาเอาได้อย่างที่อารมณ์ของวิปัสสนานี้หลวงพ่อเรียนมา อยากอาจารย์อาจารย์ให้ไปเรียนก็ต้องเรียนแต่ว่าให้ท่องให้บุญหลวงพ่อไม่ทองบุญเลยลืมแล้วก็แล้วไปอย่างอารมณ์นิปัสนาเนี่ท่านว่าอารมณ์หกท่านว่าคือมีเรียนให้รู้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านก็ให้เรียนก็เรียนแต่เมื่อรู้มาแล้วมันไม่ใช่รู้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นแต่มันก็รู้อันนี้แต่มันไม่ใช่รู้เรื่องนี้อารมณ์ของนิปัสนาคือขันห้า อายตนะสิบสองอายตนกะกว่าตาหูจมูกดังเนี่ยนะจมูกลิน้นกายใจเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเป็นอายตนะภายนอกรวมเข้ากันก็เป็นอายตนะสิบสองทั้งวายัางั้นธาตุสิบแปดจัคคุเนี่ยจัคคุธาตุเนี่ยจัคคุธาตุนี่คือธาตุเนี่ยจัคคุคือตาก็คําเดียวกันนี่เองบ้านี้ จักคูธาตโตตาธาคาณาธาซิวหาธาต์เป็นอย่างนั้นทั้งกมดพูดเรื่องธาตุอันนี้วันนี้วันนี้ธาตุสิบแปดอินทรียี่สิบสองวันนี้จักคูจินรียโสจินรียคานินทรียสิวหินรีไปอย่างนั้นแล้ววันนี้อริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นตําลานะเมื่อมาปฏิบัติแล้วเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจจริงๆแล้วมันผูกน้อยแต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบ เพราะจิตใจของเรามันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนึกว่าตัวเองเรียนรู้แล้วพูดได้หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังหลวงพ่อเคยสอนกรรมฐานให้เรกว่าให้เมียวยัยนั้นก็ได้สมัยเมื่อ น, นั้นสอนให้พี่ให้น้องสอนได้เมื่อมาปฏิบัติแล้วมันก็เลยไม่ผูกกับที่เราสอนมาแต่มันกระทุ้เหมือนกันแต่จิตใจไม่เป็นมันมเมื่อเขาไปฟังแน่โยนั่นเลยจะแก้ไขอันนั้นก็ยาก มุ่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอารมณ์ปัจนาที่หลวงพ่อรู้มาก็ก็เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันตั้งลาเขาพูดว่าขั้นแรกเขาเรียกเป็นปฐมศาสนปฐมศาสานมีองค์ห้าเขาไว้ยันมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเขาไว้อย่างนั้นบันนี้นนทุตธิษฐานมีองค์สามบางบางคำเขาจะตั้งสารสี่นะบางทีเขาจะตั้งเป็นสารห้าเขาว่าเปอย่างสัคืนในหนังสือ คู่มือธรรมวิจารณ์หรือคู่มือนักธรรมท่านโพก็มีเขาพูดไว้ย่างนั้นคือว่าปฐมมานามีมิจกวิจารณ์เลยบัดนี้ทูตวิญญาณมีแต่วิจารณ์กับปีติขึ้นไปเห็นเขาขั้นทิ้งไปขั้นมิตกที่ไปบัดนี้ก็ขั้นวิจารณ์กระทิ้งไปขั้นปีติก็ทิ้งไปก็มีแต่อุเปคขากับสุขท่า น, าาานั้นขวาย่ันในตำราแต่เมื่อหลวงพ่อปฏิบัติมันก็ทูกเหมือนกันแต่มันไม่ได้ทูกอย่างนั้น หลวงพ่อคือกันเครือเมื่อรู้นู่นามนี่หลวงพ่อทีแรกหลวงพ่อวันหลวงพ่อลูกเป็นปฐมกาลมันพูดให้ฟังก็จําได้เนี่ยแต่มันก็เลยไม่ถูกต้องแต่มันทูกทูกสําหรับคนพูดที่รู้อย่างนั้นแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดจีิงว่าหลวงพ่อพูดจะเรื่องของตัวเองเรื่องตัวเองมีอย่างไรคนอื่นก็ต้องมีเหมือนกันเพราะคนอื่นนั้นยังทูกปกปิดอยู่ก็ได้ ด้วยทุกอัดแน่นม้วก็ได้ดังนั้นจิ้มาทำควมรู้สึกตัวนี่ให้มันรู้สึกพลิกมือก็ให้รู้สึกก้อมลงก็ให้รู้สึกเงยหน้าขึ้นก็ให้รู้สึกเหลียวไปยังนี้ก็รู้สึกเหลี้ยวมายังนี้ก็รู้สึกพลิกตายังนี้ก็รู้สึกมือขึ้นก็รู้สึกตาเหลียวเลือดท้ายแลหัวก็รู้สึกกืนน้ำลายไปในลนคอก็รู้สึกนี่บนี้ หายใจเข้าหายใจออกรู้มันนึกมันคิดรู้ทั้งนั้นก็เลยเกิดสัญญาอันนี้รู้ขึ้นมาสัญญาได้จวที่มันรู้น่ะสัญญารู้อันนึงไม่ใช่เราไปรู้จำมาจากตาหนักตัวสัญญามันรู้มันเองจึงว่ามันไม่หลงมันไม่ลืมมันจึงแน่นแฟ่นแนบแนงกับสิ่งเหล่านั้นจึงว่ามันเป็นของธรรมชาติมันนั่นเป็นอย่างนั้นจึงว่าหมดเลยเรื่องลูงานงานดี รู้สิ่งเจติติมึนเมาหลวงพ่อเคยพูดหลวงพ่อติดบุหรีนะเมื่อหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมาพอดีหลวงพ่อลู่อย่างนี้เราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยก็เลยรู้ทุกข์ขึ้นมาจริงๆหลวงพ่อก็เลยเลิกได้จริงๆเรื่องกระจุดมณยันเครื่องรางของขังหลวงพ่อเลิกได้จริงๆหลวงพ่อไม่ย่านไม่กลัวเดี๋ยวนี้แต่ก่อนหลวงพ่อก็ญ่านเหมือนกันกลัวผีจะมาทําให้เราเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็ไปเรียนมลกันผี ผีในตัวเองไม่เคยกันเลยเป็อย่างนั้นอันนี้ก็ขอพูดความจริงให้ฟังย่านปาเฮลปาซาบ้านหลวงพ่อเด็กเบิ้งคนตายเัี้ยเอาไปไปฟังนั้นเอื้อปเฮลเอาคนไปฟังขันคนตายกลุ่มตายพายตายหูเนี่เขาบอกให้ไปฟังพวกปายเฮลเอาไปฟังบนนอกปายเฮลไปคุณเขาว่ามาจีบทําลายบ้านเมืองห่าหมอบบนไปกดบนเนี่ยบ้านหลวงพ่อใส่คาถากดกดผีตายกลุ่มตายพายผีตายหูนั้นน่ะเป็นอย่างนั้น หลวงพ่อก็ได้ไปเห็นนโมมาเนี่ยเทือหลงพ่อพูดอย่างนี้นี่มันเป็นคําภ า, าษาเมืองเลยแล้วไปตีคนหมายก็เลยผิดไปได้นี่มันนี่ก็พอดีรู้ทำมาอันนี้หลวงพ่อไม่ปลัวเลยมันเป็นสมมติเท่านั้นเองเนี่ยสมมุติอันนี้คนไม่ค่อยรู้กันถ้ารู้แล้วทําไมไปเต้นอย่างนั้นหลวงพ่อเลิกได้เลยพระองค์หนึ่งเล็กเล็กขนาดนี้หลวงพ่อนึกว่ามันขังศักดิ์สิทธิ์จริงๆงนะซื้อเขาแปดร้อยบาทนะข่าวนั้นเงินแปดร้อยไม่ใช่ของน้อยนะ ตั้งแต่การเก่งตัวนึงสิบสองสตางค์คุณหลวงพ่อซื้อตอนนั้นเนี่ยมวกหนังขาวนั่นนะใบนึงดูมันบาทกับยี่สิบห้าสตางค์หรือว่าห้าสลึงเดี๋ยวนี้ราคาต้องเป็นยี่สิบสามสิบาทคุณเป็นอย่างนไงการเก่งแพเนี่ยนุ่งได้ตัวนึงไม่เกินสิบสลึงเอาโยนเข้าน้ํานี่ไม่ติดเลยหลวงพ่อซื้อข่าวนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ของคิดเป็นเงินแล้วก็ต้องหลายสตางค์เดี๋ยวนี้ พอดีหลวงพ่อรู้แล้วโอ้เรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องของจริงเอาไว้หัฮนแหละดีแล้วมันเป็นสมมติมันเป็นสมมุติคนที่ยังไม่รู้ว่าต้องพึ่งอย่างนั้นแต่ก่อนเมื่อรู้แล้วไม่ต้องพึ่งเลยหลวงพ่อจึงไม่กลัวผีกลัวเทวดากลัวผีเลือกงามยามดีทุกวันนี่หลวงพ่อไม่กลัวเลยแต่กลัวแต่คนที่มาตีหลวงพ่อเนี่กลัวนี่มันเจ็บจริงๆอันนี้ถ้าเอาค้อนมาตีหรือเอามีดมาแทงหรือเอาผ้ามาฟันเอาปืนมายิงเนี่หลวงพ่อกลัวอย่างนั้น แต่เรื่องที่ใส้หนังบางฟันนงูธนูคูหน้าน้อยไปบวงสวงผีมากินหลวงพ่อเอดไปไปมุนมาเลยย่านแต่ว่าโอ้หลวงพ่อเทียนนีนะมันจะกลัวเลยผีมันก็กลัวหลวงพ่อทันทีเลยเป็นอย่างนั้นคําว่าหลวงพ่อเทียนนี่ยเราขอแนะนําให้ฟังแต่ไม่ใช่ซื้อหลวงพ่อนะคนกระลุ่ยในนาว่าหลวงพ่อเทียนแต่ควรจริงพ่อในเทียนคขาบ้านหลวงพ่อเนี่ยพ่อในเทียนนี่เขาก็เลยเอาหลวงพ่อเทียนมาไว้กับหลวงพ่อควมจริงหลวงพ่อซื้อ พันซื้อพันตัวพ่อพานแล้วก็ตัวนอนหนูตัวทอทงกะลันเป็นอย่างนั้นแล้วมันนี่คนก็เลยไม่รือไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ซื้อหลวงพ่อเลยก็เรื่องหลวงพ่อเทียนคนรู้ถ้าหลวงพ่อเทียนคันซื้อหลวงพ่อพันใน่คนไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นจริงว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันความคุ้นหูของเราเนี่ยเข้าใจจริงๆการปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันเมื่อเราคุ้นหูเข้ามาหรือ สำนี้สํานานเข้ามาแล้วไม่มีวันที่จะเลื่อนเือนได้อันนี้ดังนั้นจิตใจคนจึงเปลี่ยนเป็นตามลําดับที่างปฐมม า, ารสนี่อันนี้มันเป็นปฐมมาเลิกอันนี้หลวงพ่อเคยเปรียบให้ฟังแต่สมัยหลวงพ่ออยู่ที่บ้านหลวงพ่อคนลาวงครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เสียสตางค์เลยเรียกว่าปฐมมาเลิกใครไปลาไปฟ้อนก็นได้บ้านหลวงพ่อแต่ร อ, อบทีสองเนี่ยต้องเก็บสตางค์ต้องให้บัตร ถ้าคนใดไม่ปฏบัติขึ้นไปลำไปฟ้อนของเขาไม่ได้เนี่ยอันนั้นนเป็นปฐมมะเลิกอันนี้เป็นปฐมมะสารเป็นอย่างนั้นดังนั้นเจ้าปฐมสารจริงๆแล้วก็ต้องรู้จริงๆทําให้จิตใจเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมจริงๆจึงว่าเห็นปรมัตดจริงๆอันปรมัดอันนี้ก็เป็นปรมัตดแต่เป็นปรามัตดสมมติอันนั้นเป็นปรมัดจริงอย่างนั้นที่หลวงพ่อวัดสมมติบัญญัติปรมัตดบัญญัติอัถะบัญญัติ อริยะบัญญัติเน pues er the ี่ยบางคนอาจจะตีความหมายผิดก็ได้บางคนผู้ที่รู้แล้วก็ฟังได้คล่องตัวเป็นอย่างนั้นแต่บางทีคนไม่รู้ก็ไปตีความหมายสมมุติบัญญัติมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันปรมัตดบัญญัติมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยอัฏฐบัญญัติมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอริยะบัญญัติต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นก็พูดตามตำราที่หลวงพ่อพูดเลยสมมุติบัญญัติก็สมมุติให้มัน แต่เป็นสมมติบัญญัติกจริงแต่เป็นตัวบทกฎหมายก็จริงแต่เป็นสมมุติเป็นปรมัดสมมุติอันนี้วันอย่างที่นาฬิกาเนี ente, ่ยเป็นปรมัดเนี่ยเราเห็นทุกคนเป็นปรามัตดสมมติี่สมมุติให้มันเป็นนาฬิกาแต่สมมติบรญญัติจริงๆก็คืออะไรตัวเขาได้ทุกสมมุติขึ้นมาแต่เป็นปรมัตดเนี่ยเป็นอยังไงจีว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นหน้าตาไปตามเรื่องเจ้า อันนี้เป็นปรมัตดสมมุติเนี่ยแต่ว่าสมมุติขึ้นมายังไม่ได้เป็นปรมัดบัญญัติขึ้นมาคําว่าปรมัดบัญญัตินต้องเห็นจิตใจเรานึกคิดคุณจึงเป็นปรมัดขึ้นมาจริงๆเลยเป็นปรามัตดโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันรู้เขาเป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็าเป็นอย่างนั้นจึงปรามัตดบัญญัติอัธฐาบัญญัติคือลึกบุคคลที่เห็นจิตใจและชีวิตตัวเองเนี่ยยากบุคคลที่จะเข้าใจ คนเราจรึงเป็นทุกข์เพราะจิตใจมันนึกมันคิดนี่เองเมื่อมันนึกมันคิดขึ้นมาแล้วก็เขาเ้าไปในความคิดไม่มีการหยุดการถอยเลยบางคนนอนไม่หลับบางคนคิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันเนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นปามารมัติบัญญัติขึ้นมาเพราะโดยตัวมันเองจึงบัญญัติขึ้นมาตัวสัญญาตัวนี้เองมันจะบัญญัติขึ้นมันเองตัวสัญญาเข้าไปสัมผัสแล้วมันจะบัญญัติตัวขึ้นมัน ตัวมันขึ้นมาเองจิงหวัดตัวสัญญาตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่หลวงพ่อพูดให้ฟังสัญญานี่ควรหมายรู้จาได้ใครก็จําได้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ฟังหลายเทื่อก็จําได้สิแต่ยังไม่เป็นสัญญาของเราเป็นสัญญาของคนอื่นจํามาจากการได้ยินได้ฟังนิตายเห็นตัวหนังสือเนี่ยตําราเขาว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นสัญญาโดยที่ว่ามาจากตาํารามันไปค้านเอากับ นังซื้อกะละับมาซุ้ยบอกอย่าเสื้อถือโดยเห็นมันมีอยู่ในตำราเนี่ยท่านบอกไว้อย่าเสื้อถืออ่ะบุคคลที่พูดนั้นน่าเสื้อถือเนี่ยเราไปเสื้ออย่านั้นการแสดงว่าเราไม่ไม่ฟังคําพูดให้มันดีๆเราเคยได้ยินบางคํานะที่เราฟังกันแล้วมันตีความหมายไปไม่เหมือนกันนี่นะอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระวักกลิกนี่นะเราเคยได้ยินทุกคนในหลวงพ่อฟังมาแต่บ้านหลวงพ่อก็พูดกัน อย่างนี้พระวรกลิกเนี่ยชอบพระพุทธเจ้าไปไหนมาไหนก็ติดตามพระพุทธเจ้าทันว่าอย่างนั้นบัดนี้พระวรกลิกก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามภรวรกลิกพระวรกลิศพระวรกลิกตายเป็นไม่ตายเป็นถ้าตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นซีมาใส่ตัวอันนี้พระวรกลิกว่าเป็นพระพุทธเจ้าตีดคับตายเป็นไหมตายเป็น ตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นถ้าหากตายเป็นเน่าเหม็นเป็นแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไงเนี่ยท่านว่าอย่างนี้ตัวนี้สําคัญนะตอนที่จะพูดต่อไปดีนะท่านว่าเอาไม่ต้องพูดถึงไรดีอะไเนี่ยพูดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับทายชีวรเราอยู่นรืจับนิ้วมือนิ้วเท้าเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเชื่อไม่เห็นธรรมเนี่ยเราบันทึกขันเห็นธรรมเราต้องไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ย พระพุทธเจ้าก็สแสดงว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันเป็นวัตถุมันเป็นวัตถุธาตุนันเป็นดินน้าไฟลมทันว่าอย่างนั้นแต่คนก็เลยไปปฏิบัติธรรมากไม่ใช่คนอื่นและหลวงพ่อนี่เองลนะพูดจูนเองนะดีกว่านะมันจับไม่ขาดเคลื่อนเนียเราเองเนี่ยพูดว่าต้องเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นแต่ความจริงท่านให้เห็นตัวเราที่เองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิด นั่งอยู่นอนอยู่เดินไปเดินมาให้เห็นตัวเรานี่เองท่านว่าเห็นเราท่านไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นพอเห็นแม่เราเนี่ยเห็นตัวเราเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยเห็นตัวเราจริงจริงเนี่ยอันนี้แหละมันตีความหมายมันผิดอันนี้ต้องเห็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นเหาะมาลอยมาดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เห็นจริงแต่ของทุกเห็นนั่นนะไม่ใช่เป็นของจริงนี่ฟังให้มันดีนะ ที่เห็นจริงแต่ของที่เห็นนั่นไม่ใช่เป็นของจริงทําไมจิงไม่เป็นของจริงเราจะเห็นจริงทําไมมือตาขึ้นแล้วก็ไม่เห็นจิตเราหลอกลวงเราเองคนบูราท่านจึงสอนเอาไว้ว่าจิตคนเนี่ยเร็วที่สุดเหมือนกับลิงว่าฉันจิตคนเนี่ยเหมือนกับลิงลิงให้มันนั่งนิ่งนิมันไม่ได้มันต้องกระโดดโลดเต้นนั่งอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละมันเป็นจับโน้จับนี้ท่านจึงสอนว่าจิตคนเนี่ยวอกแวกออกออกลับได้ไว บุดมีลานไขในต้นเราท่า น, น, นควรบังคับกลนให้จิตหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราปล่อยไว้บ่เนี่ยเขาปล่อยมันเขาบุรู้จักมันให้มันหมุนไปในทางข้างกีดทาที่มีก็จักหนีจักนายหายสูญทําอะไรมีมันหนีไปก็ควรรู้สึกไม่มีนั่นเองก็ไปรู้ไปดูความคิดนันึงมันมนึกควรรู้สึกก็เลยสูญไปหายไปอะธรรมเข้าครอบงำมันอะธรรมอันนั้น มนระยำสมบูรณ์กดปิ้นปอกหลอกตนเนี่ยใจมันหลอกเราแล้วก็เห็นหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังหลวงพ่อเห็นเลขเห็นลอตเรี่เนี่หลวงพ่อเดินจงกลมไปหลวงพ่อยังคิดว่าจะไปซื้อเลขเนี่ยพ่อหลวงพ่อไม่รู้ทันกลไกของคมคิดนี้เองเมื่อมารู้กลไกของงงคิเลโอมันเป็นมายาความคิดนี่มันเป็นมายาจริงๆเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นให้เราเข้าใจรู้จริงของจริงเป็นจริง ที่หลวงพ่อผู้นี่รู้ตัวเองมีรู้ทุกคนฟังแล้วไปพิจารณาเองเดินจุมกลมบ้างธทำคมรู้สึกตัวรู้ขึ้นมาสัญญาตัวนั้นจะรู้ขึ้นมาเพราะสัญญามีในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นผู้หญิงก็สร้ า, างเป็นผู้ชายก็าตามเป็นพระสงฆ์องค์เจา้าก็ตามให้ซื้อว่าคนเราคือกันทั้งหมดเลยถือศาสนาใดนุ่งผ้าสีอันใดก็าตามเป็นคนไทยคนจีน คนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคามนคนเวยดนามคนอะเป็นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเนื้อของที่คั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถูกหงายขึ้นมาอย่างสีมันก็เลยคั่วหน้าอยู่อย่างนั้นที่ว่าเราไม่เห็นบันนี้เราหงายขึ้นมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้หงายขึ้นมาอย่างนี้บันนี้ของที่ปิดไว้เนี่อัดแน่นเราไม่เคยมมุนออกมาไม่เคยไขออกมาก็เลยไม่เห็นบ at> ันนี้เราไขออกมามมุนออกมาให้มันเห็นแจ้งรู้จริง เราจะเข้าใจจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพระกับพระวักกะลิศนะพูดให้ฟังแล้วก็ไลพ่พระวักกะลิศหนีพระวักกะลิศจะไปโตนเหวตายว่านบัด น, นี้เราก็เสื้อเข้าใจว่าพระวักกะลิกเป็นตัวคนอนะ่ะอันนั้นเป็นปุคละที่ฐานควรจริงพระพุทธเจ้าดาพระวักกะลิศมึงต้องไปให้หมันพ้นความคิดอันนี้ท่านบอกอย่างนั้นเตณหลวงพวกก่อกระเดาเอานะคนนี้กันเตณหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้น ความคิดมันจังปรุงแต่งตัวเราอยู่เสมอไปทำไมมีความคิดปรุงแต่งนี่ทันว่าอย่างนั้นจังหว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารมันปรุงมันแต่งถ้าเราเรารู้ดีแล้วทำไมจึงให้สังขารปรุงเราไม่รู้เราไปจำมาเราไม่มีสัญญาตัวนี้เมื่อสัญญาตัวนี้เห็นรู้เข้าใจแล้วอ๋อนี้หนีจากความคิดแบบนี้จังวัวิชาลูา่แจ้งรู้จริงนะอะวิชาคือไม่รู้อันนี้นี่เอง เราเข้าไปในความคิดเราก็ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดก็เพาะหูเนี่ยเดินจมกลมไปบางครั้ง น, ะงนั้นหลวงพ่อเทศให้ผีฟังก็เป็นเทศให้คนฟังก็ได้เนี่ยเทศให้เทวดาฟังก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นเนี่ยความคิดปรุงแต่งสังขารปรุงแตหนีจากความคิดอันนั้นให้พน้นทันว่าอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อคิดเอาเองนะไม่ได้เห็นพระพุทธเจา้าอันเนี้ยังว่าพาะาระวักกลิศหนีไปให้พน้นอย่ามาอยู่ใกล้เลราคนคือว่ามันเป็นความคิดที่ปรุงแต่งนั่นเอง เราเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันเรืที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยเมืเ่อเราแปลคําพูดหลวงพ่อไม่ตรงก็ต้องวงเล็บไว้ที่สําคัญแล้วก็ให้คนที่เกิดมารุ่นนั้นเขาจะปฏิบัติธรรมะเขาจะรู้โอ้ควรมหมายอันนี้เป็นอย่างนี้ควรมหมายอันนี้เป็นอย่างนี้เขาจะได้รู้ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเช่นอาการเกิดดับก็เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยพลิกมือขึ้นเป็นเกิดพวบเบลลงเป็นดับอันนี้ก็เป็นอาการเกิดดับ มันเป็นเปลือกเป็นกระพรคือเหมือนกับสัญญานั่นเองบัดนี้พิษตาลงมากระเป็นเกิดเป็นดับหายใจเข้าก็เป็นเกิดเป็นดับจิตใจนึกคิดก็เป็นเกิดเป็นดับอันนี้มันเป็นกับเกิดดับพื้นๆแต่คําพูดอาการเกิดดับเหมือนกันเอามีดไปฟุนมันจะกัดมดเหมือนกับหินเพชรที่ห้องซื้อกันอยู่ซูมูนี้นะมันเป็นของมันถ้าหินด้านเราหุบบกัดเลยอันนี้ก็คือกันที่หลวงพ่อพูดเนี่ย อาการเกิดดับที่ว่ามันต้องรู้จักเกิดดับกิเลสตายไปกระทุกเหมือนกันแต่ใหไม่ใช่ทุกที่ความหมายที่หลวงพ่อพูดนั้นอันนี้แปลว่าแสดงความจริงให้ฟังเพราะว่าเวลาของเรามาฟังธรรมะหลายคนก็จําได้บางคนไปปฏิบัติก็ยังหลงอยู่นี่มันเป็นอย่างนั้นทีงว่าอาการเกิดดับที่จุดสําคัญหลวงพ่อพูดนี่คือมันเป็นอย่างนี้นะพอดีเรารู้จักอารมณ์ขั้นที่หนึง่ง ทำลายโทสะโมหะโลภะได้ครับขั้นที่สองมันก็ต้องกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยทำลายได้เพราะสัญญาตัวนี้เองไปทําลายจื่อหน้าจําตามันไว้ได้เนี่ยแล้วต่อไปก็รู้จักสินสินขันสมาธิขันปัญญาขันทําไมว่าสินขันลูกขันมีสินลูกอันนี้มีศินไม่ใช่สินห้าปานาติปาตาเวลมามณีสิขาปะทางสมมาธิยามิ ที่นาธนาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยานเขาไปพูดเอกอันนี้เป็นสัญญาณสัญญาคนจําสัญญาที่หลวงพ่อพูดนี่ก่อนสินรูปนี้มีสินยอดสินขันขันอันนี้มีศินเวทนาขันมีศิลเนี่ยเวทนากป็นตัวเวทนาจริงๆสัญญาขันสัญญาขันก็มีสินจริงๆสังขารขันสังขารขันก็มีศิลจริงๆวิญญาณขันก็วิญญาณขันมีมีสินจริงๆอ่ะสินจึงเป็นเครื่องคำจำกัดเลยอย่างเงา กิเลสงงาบเนี่ยคือโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมนี่ยทำลายออกไปแล้วเวทนาจึงไม่ทุกสัญญาจึงไม่ทุกสังขารจึงไม่ทุกวิญญาณจึงไม่ทุกแต่เราไม่เห็นแบเนี่ยไม่ทุกไม่ทุกเนี่ยทีผีมันอยู่ที่ตรงนี้เองเท ว, วดาอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่แค้งขาหน้าตามือเท่าเป็นผีไม่ใช่แค้งขาหน้าตามือเท่าเป็นเท ว, วดาโตเวทนาเป็นเองโตสัญญาเป็นเองโตสังขารเป็นเองโตวิญญาณเป็นเอง เป็นเทวดาเขาจึงมองไม่เห็นเขาเรียกว่าตาทิพย์เห็นอันนั้นฟังคําพูดเขาเป็นขั้นเป็นตอนเขาเรียกหูทิพย์ฟังได้ไงกายทิพย์ไปเลยกวากายเนี่ยบถูกสกปลกแล้วเป็นกายทิพย์จิว๋วมีตาทิพย์เห็นอย่างเต็มแม้ว่าตาทิพย์นั่งอยู่เนี่ยไปเห็นคนย่างไปไกลๆอันนั่งกัอีกกมเนี่มันเข้าใจผิดกันแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ห้ามตาทิพย์ได้นั่งก็มีหลวงพ่อเคยถามคนหลายคนมาแล้วอย่างน้อยเป็นพันๆทีเดียวละหลวงพ่อถาม คุณอายุกี่ปีแล้วถามคุณก็ได้นะคุณคุณอายุกี่ปียี่สบเก้าพ่อแม่ยังหรืออย่างนี้หือยั ง, งพ่อแม่คุณอ๋อถามอย่างนีง้คุณเกิดเมื่ อ, อไรสองพันห้ารอยเดือนอะไรวันอะไรคุณรู้เองหรือใครบอกเน่คุณจะรู้ได้ทำไม แต่เพียงเกิดศาตร์นี่ก็ยังไม่รู้อยู่แล้วเดี๋ยวพ่อแม่บอกให้คุณจํามาใช่ไหมเออนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าสัญญาของคุณสัญญาได้มาจากพ่อแม่เราบัดนี้อีกเตือนจะถามพ่อแม่คุณสอนคุณคําแรกสอนเรื่องอะไรก่อนคุณนั่งหรือคุณนอนพ่อแม่คุณนั่งหรือพ่อแม่คุณนอนสอนคุณคุณจําได้ไหมแม่แต่เพียงเท่านี้เขายังจําไม่ได้เราจะไปจําซตร์แล้วศาสตรก่อนได้ทำใหมอันนี้ก็สําคัญที่หลวงพ่อไม่ได้ห้ามจะเสื้อไปเขาเสื้อไปได้หลวงพ่อไม่ได้ห้ามแต่ว่า เืออย่างนั้นก็ดีแล้วแต่หลวงพ่อไม่เชื่อและแบบนี้แต่ก้อนหลวงพ่อก็เชื่อนี่แหละหูทิพตาทิพมันเป็นอย่างนี้เราไปคืดลึกเกินไปคันตื้นมันก็จะว่าตัดเที่ยงไปทั้งหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นจิ่าควรเชื่อและพิจารณาให้เห็นแจ้งนี่แหละปัญหาที่เรามันยุ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเราตีควหมายเอาเราไม่ยอมปฏิบัติให้มันรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเราก็เลยเกิดสงสัยบแบบนี้ตายแล้วเกิดไหม ดวงจิตวิญญาณไปไหนไปตกนรกไปสวรรค์ไหมถามก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วใครจะมาบอกเราได้เราก็ยิ่งถามก็ยิ่งสงสัยหลวงพ่อเองก็สงสัยเหมือนกันบัดเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่สงสัยเลยใครจะพูดยังไงเป็นเรื่องของคนนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเราเพียงเอาไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ถ้าหากเรารู้ว่าชาต์นั้นเกิดเป็นอันนั้นสาติที่เกิดเป็นอันนี้เราหอะได้ถ้าทุกข์อยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ความหมายเลย เพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องแก้ปัญหาตัวเองแก้ทุกข์เท่านั้นเองถ้าคนใดไม่ต้องเข้าวัดก็ได้เนะีย่ยยะทูลหาหลวงพ่อว่าโอ้ยหลวงพ่อเนี่ยฮะบวให้คนเข้าวัดบวชให้คนทําบุญแล้วบวชเมียนอย่างนั้นแต่ว่าให้ฟังว่าความจริงเนี่ยไม่เข้าวัดจักทีก็ได้ไม่ตักบาจักทีก็ได้ไม่รับศีลก็ได้ถ้าเห็นจิตใจตัวเองแล้วนั่นแหละประเสริฐสุดที่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าที่สุดแล้วคนนั้นน่ะเพราะทุกข์ไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบัด น, นี้คนเข้าวัด คนฟังทำ ร, ร, รักษาศีลทำกรรมาฐานแต่ทุกข์อยู่นอนไม่หลับคนใดพูดให้โกรธเกลียดพอใจอันนั้นก็ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยเราว่าพระวักะลิปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพราะไม่เห็นธรรมนั่นเองอันนี้เนี่ยที่หลวงพ่อพยายามพูดกันอยู่ทุกวันไม่ใช่ห้ามนะจะหาหลวงพ่อเนี่ยว่ยไม่ต้องเอาเข้าไปให้หลวงตา น, น, นี่ยกินละโอ้ยนก็มันเข้าใจผิด หลวงพ่อไม่ได้ห้าเนียนให้เรารู้แจ้งเห็นจริงเอาเองว่าอย่างนั้นแต่การทานนั้นดีแล้วเพราะประเทศอื่นเขาว่าเรียกสงฆ์เคาะอนุเคราะห์ว่าอย่นบ้านหลวงพ่อว่าอนุเคราะห์เขาบ้างว่าอย่นและศาสน า, าที่เขาว่าอนุเคราะห์บ้านเราเรียกว่าทานคำเดียวกันอนุเคราะห์กับทานนีคำเดียวกันโบผิดกันแต่ขวมอมันขุนละขวมแต่ควมไม่อันเดียวกันเพราะว่าการทานนั้นมีหลายอย่างทานเสื้อทานผ้าทานเงินทานยารักษาโรค อันนึงก็ทานอันนึงก็การให้ทานการให้ทานวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างเพื่นว่ายังบ๊ประเสริฐเท่าการทานทำการทานธรรมย่อมสนะฐานทั้งปวงการทานธรรมนี่หมายถึงทานอันใดทานยังที่หลวงพ่อวาวนี่ก็ถูกอันนี้ก็ได้แต่มันทุกเปลือกมันอันนี้บ๊อบเองมันทุกเนื้อแท้มันนะทุกเนื้อแท้มันทุกอัใดเนย่ยไผพูดจะเรียกจําสซางในสัญญาเมจิโบไปจําอันนั้นสัญญาเมจิรักษาตัวนี้อยู่เพียบบวให้มันทุกเพียรสัญญาตัวนี้พี่นะนี่แหละทานธรรมเพื่นว่า ทานทำย่อมสนาทานทั้งปวงเลย่อมมันบททุกมุก่กศสนาทุกสิ่งทุกอย่างนาคนมันทุกมจิตศาสนาอันใดใดลองคิดมึงเอาเองเนี่ที่หลวงพ่อพูดเนี่เพราะว่าพูดมาหลายเทอมันก็ต้องพูดให้กันเข้าใจพูดให้เข้าใจอย่างซีหลวงพ่อพูดคําเก้านี่นะยูย่างซีแหละแต่ว่าคนยังไม่เข้าใจบางคนนี่เป็นอย่างนั้นที่นักศึกษาอันนี้ก็ไม่ได้พูดนนักศึกษานักศึกษายิ่งเรียนมาก ก็ยิ่งทุกนักศึกษานี่ก็ได้ทุกพอเรื่องอะไรเขียนได้กิจสอบไรได้บ้น้อเพอร์วะขันสอบได้แล้วเซอเพอร์ว่าี่ไปสมัครงานอัะไรน้อเพอร์วะเนี่ยมันคิดเต้คิดทั้งนั้นทุกแม่หนึ่งสังก็ได้บัดนี้เขาไปสมัครงานโบได้เซอรเอาทีไปสมัครงานบริษัทได้น้อเพอร์วะเนี่ยมันเป็นอยงไรเนี่ยมันถูกกันคิดไปทํำไม่มันมาด้เรื่องอะไรมันมีแต่สร้างถูกแลก็สัญญาเหมือนกันเนี่ยสัญญาพรอเหรียญจะขูจากอาจาย์มันบัดนี้ไปเขียนข้อตอบอะไรตอบย้อนที่ทุกบ้น้อเพอร์วะเนี่ย ทุกทั้งนั้นอันเนี้ยผิดถูกอย่าไปัยใจมันเราทําตามความคิดคมเห็นของเราเนี่ยนี่แหละสมา ธ, ธิไม่ใช่ว่าจะไปจําเอาทิฏฐิคนนั่นคนนี้อย่างสมา ธ, ธิสมาสังกัปปะสมาวาจาเป็นหมะแปดเขาเอินสมา ธ, ธิความเห็นถูกต้องว่าสิอันนั่นก็ทุกอยู่เด้บุตรเสด็จบุตร ท, ทุกตำลานเนี่ยทิฏฐิความเห็นอย่าอมภาวเนี่ยเราเป็นแพจอยู่แต่เห็นมด นี่ยังสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเห็นแท้ๆเนี่ยเห็นแข้งกับขานี่ก็เห็นได้แท้ๆีินะเห็นหัวเห็นแขนเห็นขานี่ก็เห็นแท้ๆเนี่ยทิฏฐิไปเห็นถูกต้องเห็นโตเฮานี่เห็นหูเห็นตาเห็นแข้งเห็นขาเห็นโตเฮานี่เห็นถูกต้องแท้ๆีินะเห็นนั่งยุ่งก็เห็นถูกต้องแท้ๆดิเห็นยืนก็เห็นถูกต้องแท้ๆีินะเห็นมันหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นถูกต้องแท้ๆดิเห็นมันนึกมันคิดก็เห็นถูกต้องแท้ๆดินะอันนี้แหละเห็นถูกต้องแท้ๆมั่วผิดมั่วเปลี่ยนแปลง ด้วยว่าอันนี้อยู่สมาธิเห็นถูกต้องต่อสมาธิเอ้ะการงานถูกต้องแต่กระทุ้เหมือนกันนมันเป็นเปลือกมันมันเป็นกระที้มันก็นดีอยู่แล้วจิ๋วให้ทานดีแล้วรักษาศีลดีแล้วนี่ทํากรรมฐานดีแล้วเหตุปัสจณาดีแล้วขันยังโกรธเกลียดอยู่มีทุกอยู่กับไก่จากขุมจริงที่สุดพระพุทธเจ้าเห็ุมาแล้วเนี่ยีเรื่องมุนแต่สมัยเมื่ อ, อยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะทานมันเนี่ย กทานมาหลายแล้วบพูนบวชไปบูนนี้ก็ไปเฮียนํากับอาลา ด, า บ, ธธ า, า, ดาบุตรอุนะะระระทะขาดาบุตรจนได้สมาบัตรแปดพนน่ะแล้ะหอยจังจีว้าภาษะสาทจังไหนจะแทงเห่าเนี่เหาบวสีจะได้สมมาบัตรแปดเดี๋ยวนี้เนี่เหาอยู่เนี่ยโบได้ ย, ยังพอแต่ว่าหัวจักเว้าเปลี่นก้อนจีว่าวาเปลนนี่ยนังไหนมันหลวงพ่อไปนั่งทำกรรมฐานหน้าอกเนีคล้ายๆคือมันเลือดดำมืดพูนนั่งเพ่งไปเพ่งมาข้ามตัวนี้ไปพูนตัวแข็งปิ้งใดแน่บไม่ได้เลยมันทุกอันนั้นน่ะ ทุกพอเจ้าของแน่นหนะ้าอกนี่นะแล้วเจ้าของกัยังว่าถูกต้องอยู่นี่นะเพราะครูบาอาจารย์ว่าสอนถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องเสื้อไปทางเซนติบูฮู้จักก็เป่นว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตเป็นว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตคือกันเมื่ออย่างหอบูฮูนั่นเมื่อเหาบูฮูจําเป็นต้องเห็นต้องเห็ดต้องทําฮู้แล้วก็เสาใส่า น, นมันผิดแต่จิยากป็นอย่างอันนี้แล้วคิปที่ไ ป, ไปเห็นถูกต้องมาถึงเห็นโตเฮาเนี่ย เจ้าทุกต้องแท้ๆประเดี๋ยไปเห็นพี่เห็นเทวดาจังไหนมันบ้แม่นอันนั้นนาะความคิดของเขาเนี่มันลอกเขาเพิร์ลเอิญดีมีไกด์จีเห็นทํำในเพอร์วานมีมิดแต่ ว, นนว่าเครื่องหมายเพอร์วันมันพลิกมือจับมือหายใจยู่ในบ่เห็นอันนี้มีมิดอันนี้แหละจิตใจมันคิดเห็นปุ๊บเนี่ยมีมิตไปเครื่องหมายให้เขารู้อันนี้เห็นอันนี้เข้าใจอันนี้หมายอยู่น้ำอันนี้เพิร์ว่าให้มันแนบแน่นอยู่กับอันนี้จังหวะสัญญาความหมายรู้จําได้เพิร์ว่า มันจริงจะมาบอรอกเขาตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณมันเป็นนามรูปอันนั้นมันมาลอกเขาเขาเห็นคองจริงแล้วโอ้ยมันบ่มาลอกเขาแล้วที่มาลอกเขาได้อย่างไรเขาเห็นจริงแล้วนี้เนื้อพ่อแม่เขาตายเขาเคยว่าบ่เขาเห็นคนคนหนึ่ก็คืออีพ่อแท้แท้คืออีแม่แท้แท้เนี่ยเขาไปจับบนม่พ่อเขาแม่เขาแท้บอบ่เมีนคือซื้ออันนี้เขาก็ไปเสื้อคูบาจานยังสั่นเสื้อได้จังใดยังสั่น แล้วเพื่อ น, นยังบอกว่าอย่าเสือเนี่ยให้ปฏิบัติดูเองเห็นเองเข้าใจเองจริงๆนี่นะจังเสือใดเนี่ยตนจึงเป็นที่พึ่งของตนแท้เพื่นว่าอย่าไปพึ่งผู้อื่นคันเขาไปถามผู้หั่นผู้นี้มันมันมีสงสัยว่าไม่พึ่งตัวเองด้วยนั่นนี่ว่าเพื่อนอยังว่าทําเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและคนอื่นนั่นไม่เป็นธรรมนั่นไม่เป็นวินัยนั่นไม่เป็นคําสอนของพระพรุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติ อย่าไปศึกษาตามแบบนั้นอย่าไปไปปฏิบัติตามแบบนั้นหลวงพอ่อยังเฮ็ดอยู่ได้สินนี่ยไม่เป็นอย่งนั้นอันนั้นบบเะเบียดเบียนตนเองหลายยางได้เบียดเบียนตนเองในบุตรน้อยเน้อยเนื้อถ้าที่พูดให้มันลึกๆเข้าไปนั่งกรรมาฐานเจ็บแขนเจ็บขาก็บเบียดเบียนตนเองไปเข้าตัวแขนก็บเบียดเบียนตนเองหลับตาก็บเบียดเบียนตนเองอดเข้าอด น, น้ำกเบียดเบียนตนเองทางนั้นนะแต่บุได้ว่าผู้อื่นได้ว่หาหยญญพ่อเนี่ยผู้อิ่งให้กระทําร้างหิญญาพาวอร์ดหิญญพ่อเนี่แหละ บุควลศึกษาและบุควรปฏิบัติเนี่ยพอเลิกเนี่ยพอทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินยัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าวควรศึกษาและควรปฏิบัติเพิ่นว่าอย่างนั้นอันบ่เบียดเบียนตนเองเพราะนี่ยโยกกระมวลคิดนี่แล้วมันบ่เบียดเบียนไครแล้วคันเอาทันมันแล้วคันบ่ทันมันก็ะิไปหักผู้หันไปสั่งผู้นี้คิดอยากเห็ดอนาคติดอย่างนั้นนั่นแหละเบียดเบียนคนอื่นแล้วนั่นเบียดเบียนตนเองกัปานั้นไปว่าออกไปแด้ว คนบูมเขาอยากกะทำไปแล้วเนี่ยเบียดเบียนผู้อื่นอันนั้นเป็นหานหรือเปลีนกางของคอของโลกเลยว่าคันเทศให้มันํานวนดีๆพันธุ์ว่ากินปลานะฮะกินแต่กลางพนบุบกินเนื้อจากเทือกเลยว่ากินตุกเินเนื้อเพรกินตลูกมันเป็นวานแ้วอแต่หลวงพอบัว่าเมื่อเนี่ยแต่กว่าไปเรียเมื่อกี้นี่ก็ได้าบว่ากว่าไปเรียมันเป็นอยงซันอย่างหวาเราต้องพยายามหาของจริงจริงรับรองได้เรื่องนี่ยของจริงอันเนี่ยลราก็เลยมาว่าสัจจะสาบะนี่ สัจจะแปลของจริงแล้วทำไมจิงบัว่าจะถือของจริงทุกคนต้องตายไปเท่านี้ผู้ยิ่งกระตายผู้สายกระตายเจ้าหัวไอจิโวกระตายคนรู้ธรรมะกระตายคนไม่รู้ธรรมะกระตายคนเรวยกระตายคนจนกระตายนี่ก็สัจจะอันหนึ่งนี่เนี่ยสัจจะแปลของจริงเนี่ยบันทึกเอาไปค้อนไปตีเขาจะเป็นสัจจะคือกันหนึ่งยกมือไหว้เขาจะเป็นสัจจะคือกันอันนี้ก็เป็นสัจจะสมมุติอีกฟิลเล่นี้กันหนึ่มันจะไม่เป็นสัจจะอย่างที่หลวงพรว่านี่ได้หนิปานาอธินาการเมมุสานี่ก็สัจจะกันแต่ไม่เป็นสัจ สัจจะหลวงพ่อวาเนี่ยทุกคนต้องประสบเรื่องนี้จวนจะตายนี่ตายทุกคนแต่จวนจะตายเนี่ยต้องประสบเรื่องนี้สะกก้อนเขาจีเห็นเขาจีหูเจอว่าคนนั้นจีดำมืดไปหรือหรือจีไปดูข่มแจ้งไปดยใต้ไฟหรือจีไปดูสวยขันใต้ไฟนั่นก็จะได้ระวังไฟอยู่ไฟจีมอดขันไม่ไฟฟ้าได้จับแหงๆก็ได้ไฟสายก็จะแก้งไปซีดมาจีบอลลมขันไฟเทียนไฟตะเกียงนี่แท้ขันบุญเปโง ง, งกับหมอด ไม่เป็นอาชันคันไปมือสวยในแทบเด่อดแจ้งแทบโบได้ระวังขันไปคมมืดได้บเนี่ยก็ชนหลักชนตอ่อลงโขลงคลองลงบอ่อลงเหวไปเส้นแล้วขันไปคมแจ้งขันเป็นหลักเป็นต่ออยู่กับเวรได้นี่เป็นอาชันขันมีไฟไต้ไปกับโบเยียบขันท้าไฟเสียงนวอย ก, ก็เยียบก็บมีไม่เป็นอาชันนี่เราจะตายนี่นะต้องประสบเรื่องนี้จริงๆรับรองได้ทุกคนต้องประสบเรื่งพอดีประสบเรื่องปั๊บแล้วกะ ย่างนานบุกเกินห้านาทีก็ต้องแน่นอนมันตายแท้ๆแล้วนั้นพันวาจังทรันเอาไปเจ้าเพันว่าจาึาศัจจาตัวนี้คนจึงบอเอามาวาเป็นหยัง่งจะไปว่าเจ้ศัจจาอันนั้นเพราะว่ากลัวกลัวคนจะาหูบันนี้คนก็พาะบริจาคฝังอีกเพต่วย่างตายไหวเพราะว่าผู้ยิงกระสร้างผู้สายกระตามถ้าเป็นฆราวาสได้ปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดหรือหูจ้จักนูแจ้งเหตุจริงแล้วบุกเกินเจ็ดวันตาย คนก็เลยย่านตายมาเลยโบอยากปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันควรมเข้าใจของคนนี้มันไกลกันในแท้แนของจริงนะแล้วผู้ใดเกินเจ็ดวันนี่ตายลงว่าบังหนูตายภายในเจ็ดวันนี้แหละวันทิตวันจันทร์วันคานวันพุทธหัสสุขเสาร์ตายนี่เลยโบตายมื่อนหนึ่ตายมื่อนหึงแท้ๆโบตายเสาร์ก็ตายสวยนี่แหละตายเมื่อคําเมื่อคือตายยี่ทนายเจ็ดวันนี่หละแล้วเขาก็เลยโบอยากปฏิบัติธรรมะเนี่ยย่านตายเนี่ยมันเข้าใจมันตรงโบเห่า เพราะเหาหูงวกก็ว่าได้ตาบอดก็ว่าได้มันว่มีปัญญาบัดนี้ยฝังแล้วไปพิจารณาอย่าเสื้ออย่างพอขันเสื้อยงาพอก็ไปเสื้อเงาพออีอิจิมแล้วมันจะฝากทีบีกับเพอก็พิสิทธิ์อมแล้วบัด น, นี้ให้ไปพิาจารณาเจ้าของไปปฏิบัตริรู้แจ้งเห็นจริงเอาคุณได้จรงหวัดตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นนึงนั่นเป็นอย่างจันทร์เนี่เรื่องเนี่ยหลวงพ่อประกันได้เมื่ออายุสี่สิบหกปีอย่าพอลูหมาเรื่องนี้จึงว่า โอ้ทุกคนเหมือนกันเมื่อถ้าหากปฏิบัติให้รู้แล้วรู้แทๆ้ๆนี่แหละควรเป็นพระของคนมาอยู่ที่นี้พระเปรผู้สอนคนต่างหากซื่อๆเนี่ยอันหลวงพ่อนี่ก็แม่เนสส ม, มุติเป็นพระเนี่ยเ น, นนนเนี่ยมูพนกระเอิ้งหลวงพ่อเป็นบ่เนี่ก็เอิ้นหลวงพ่อเั่นเนี่ยกรเป็นพระเนี่ยสมมุติพระเปรผู้สอนคนพุูนเนสสอนให้คนหมดทุก้ดพู้ น, ด น, น, น, นดได้นเป็นพระแท้จิว่าพระโสดา แต่ผู้มีจักสุพระสักกิทาคาพระอนาคา พ, าา ร, พาระอรหันต์พรือพระปเจกหรือพระพระพุทธเจ้าผลบ่าวเป็นขันเป็นตอนเรียผมจริงเขงาโบสถได้เป็นขันดลเขาโบสได้เป็นพระกษัตแต่ซ่อนคนหมดทุกข์กับใจใดชีพจีวะเจ้ากระทาซานแล้วสมมุติได้นั่นนะ่ะก็สมมุติบัญญัติเนี่ยปรามัดบัญญัติอัฏฐบัญญัติ อ, ญญตอริยมรรพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วแต่คนเดียวนี้ก็ยังฟังบุญทุกข์นี่บอกว่าตายหรือก็ยังฟังบุญทุกข์อยู่แล้วเด่นเนี่ยจีวะ คนบุอยากปฏิบัติแท้แท้ได้ย่านตายเนี่ยคันปฏิบัติรู่ธรรมะได้ยั่นได้ไปบวชอีกซึมงผู้สายก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างสั้นไม่ออกเพราะออกก็ยัานยุงยั่นผวกพัดพากจากกันไปแล้วกันเนี่ยมันเข้าใจไปอย่างสั้นเ่ยได้บวชปฏิบัติธรรมะก็ตายเจ็ดวันนี่คือกันเมืนบวชนี่เขาเข้าใจอย่างสั้นจังว่าให้เข้าใจการฟังเทศฟังธรรมที่หลวงพ่อนํามาไว้ฟังเนี่ยคือเว่าเป็นหัวข้อสั้นแต่ว่าจินคลุมก่วงมากที่สุดหนึ สัญญานี่จำให้มันดีควอมหมายรู้จำได้มันจะจำอันใดจะทิศมือขึ้นก็รู้สึกตัวใจบังคิดรู้สึกตัวสัญญามันรู้เนี่ยนี่รู้บัณฑ์บันนี้มันจะโคดขึ้นมามันก็รู้กับนี่ก็สัญญารู้อันนี้บัณฑ์เมสสัญญาเอาคอไปวางไว้ให้เราลืมแล้วอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งได้อันนั้นก็นเด็มันเรื่องสัญญาบนสัญญาอันนั้นบนเร่อสัญญาปรามัดได้นั่นอันนี้ปลามัดแท้ๆได้เนี่ยเป็นอัตถะแท้ๆได้เดี๋ยลึกงากบุคคลจะรู้คนหนึ่ง ดูได้เฉพาะผู้เป็ี่ยนภริยบุคคลขั้นต้นนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นวันจึงวันได้กระแสพระนิพพานได้ต้นทางพระนิพพานเน่ต้นทางจะได้สิใดบันเนี่ยได้ไปรักษาสิ่งหนวดทุกยุ่อเนยต้นทางนี่คือหมายถึงทำลายโทสะโมหะโลภะได้ผิดได้ต้นทางจึงว่าเป็นทางไปนี่เลยเข้าใจอย่างนีได้เน่ยพอพอดีทำลายอันนี้ได้แล้วก็เวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกพอดีไม่ไม่ทุกแล้วก็ กเลสตัญหาอุปถาเนี่ยมันจีเป็นอย่างเหนียวขึ้นมากะจางไปเลยเหมือนกับน้ำสีไม้เนี่ยเอายอมผ้าแล้วโบติดแล้วบัดหนั้นเป็นอย่างตันติกติน้อยที่สุดหลงพ่อยัมาเปรียบไว้นักมวยขึ้นเวทีซกสาตามันลดไปเดียวมันจีเห็นมาแล้วก็ไอ้โค้ชโทซโซมาแล้วเนี่ยเจ้าโทษาเจ้าโมหะเจ้าโลภะเจ้ากิเลสจะตัญหามาแล้วซกสาตามันลดไปเดียวซกสตามันมันจีมาสู้เหาได้บ่มันก็มาสู้โบได้เสียหนะเนี่ยทางไปอันนี้ซื้อนี่นะ เนอสิทธิ์ที่เปเครื่องนำจากกิเลสอย่างเงามีสิทธิ์เน้วเนี่ยลูกขัดมีสิทธิ์แล้ววันนี้เวทนาขัดมีสิทธิ์แล้วเนี่ยสัญญาขัดมีสิทธิ์แล้วเนี่ยสังขารขัดมีสิทธิ์แล้ววิญญาณขัดมีสิทธิ์แล้ววิญญาณจึงแปลว่ารู้บอสเ่วิญญาณเนี่ยไปยังสัญญาที่หลวงพ่อกับว่าหละเธอเรื่อเรื่องเหมือนกันวิญญาณแปลว่ารู้ดิเดรู้แจ้งเห็นจริงตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมพี่หนเป็นงานของมิปัสศนาจึงว่ามันแนบแน่อยู่จังตันอันนี้ที่หลวงพ่อพูดเเนี่่่ยพือวา ให้พวกเราได้เอาไปพิจารณาเองญาติเสื้อต้องปฏิบัติบึง้งถ้ามันผิดเรามาว่ากันอย่างพอได้รับรองมาว่าคําพูดอันนี้หลวงพ่อได้กรองตัวมาขักว่าในระยะสามเดือนหลวงพ่อพิจารณาตัวเองอยู่โอ้ของจริงมีมม่มัดมัดทุกคนว่าผิดกันแต่ว่าคนนั้นจิตปฏิบัติให้รูหรือว่าปฏิบัติให้รู้รอรของที่คว่ำน้าอยู่อย่างนี้คนนั้นจริงหงายขึ้นหรือจีบงาทถอนนั่งไงไงนถือเกี่ยวมันอัดแน่อยู่เนี่ยคนนั้นจีงหมายเกี่ยวทิ้งหรือจิบามายเกี่ยทิ้งถอนนั่นถือ ถ้าคนนั้นมีความสามารถง่ายขึ้นกับเห็นโหลดของที่มันปิดอยู zum, e e ่กับเปิด hmm. ข hmm. so ึ้นออกโลดเกียร์ที่บัดนี้ก็หันออกไปมันดูผู้เดียวมันดูมันไม่มีเกียร์เจาะเอ่อมันไม่มีเกียร์ติดกันแล้วเนี้ยขงเจาะหูไว้เด้น็อตกระเด็นไม้ออกไม้ออกกับมันก็ตกโอทีน็อตแบบนี้จับสุบเข้าแบบนี้จับสุบเข้ามันกับเพื่อเกี่ยวเกี่ยวเกียรหวานโดยเฉน็อตหวานนี่นอย่างันมาอย่างนี้ผมพอบุ้งจังเลยมันหวานนะนี่มันก็เอาเข้ากับบวกเขาเดี๋ยวก็เที่ยไปโพลก ก็ส่วนพรมมันถอดออกลอยซื่อพี่ได้เหงาพอว่าจะเป็นสัญญาแทนได้นีังหวัดเงินนักมวยขึ้นไปในเวทีซกเสตามันลดมาเดียวอย่าไปซกแข้งซกขาบัดนี้คันมันจีซกเขามืนกับซกแข้งซกขาเมืนก็บจเจ็บนังเหาของเหาบัวเจ็บแล้วเหายืดสูงก้ามันจับหัวยักยันนีก็ได้เลยนะว่าภาษาบ้านหนวงพอเนี่ยมันจีขึ้นมาสู้เหาได้บ่เหาย่ายก้นมันแล้วอันนี้เหาแล้ขึ้นในเวทีแล้วก็ซกแข้งซกขาเขาบัดเนี้ย เขาไสลุมตาเขาก็ง้ยลงนับหนึ่งสองสามแร่แล้วผวาเนี่ยมันเป็นอยางนั้นอันนี้วิธีอันนี้นนจิตคาดคะเนเอาไม่ได้จิตรั่วล่วงหน้าไม่ได้นึกคิดเอาไม่ได้หลงพ่อเคยนึกเคยคิดมาแล้วเพราะหนังสือก็บอกไว้แล้วรับรองว่ารูเเ้เองเห็นเองเข้าใจเองจึงโบเซื้อไผ่เสื้อตัวเองจดตนเป็นที่พึ่งของตนนเพึ่งคนอื่นไม่ได้คนว่าตราใดเมื่อใดเขายังตัดบุคาดนั้นอย่าไปไว้ใจ เมื่อตัดขาดแล้วเราจะรู้จากว่าสภาพนั้นเป็นอย่างตันสภาพนั้นเป็นอย่างตันรู้เองโดยไม่ต้องถามใครเลยเมื่สงสัยมดความกังวลใจมดให้ว่าได้ไปอยงพออย่างเปียบไว้คือเหาอุ้มผู้น้อยนี่นะเอามือไปแตะ ก, ก้นมันขาวมัดมันจืดมัดมเหมือนกับสำลีนี่นะเอาสำลีแห้งๆนี่ไปสุกน้ำปุ๊บเราดีบออกมดสำลีเนี่ยน้ำ ม, มันบูดจินหรือผ้าไหนร้อนหรือเอ็นเนี่ย เอาไปจุบนานจุบยังงถอทอดออกมาบึนน้ำมันโบแทกซึมอันนี้ก็คือกันเชื่อมันคาดกันแล้วเยอะไม่ต้องพูดอายตนะก็ได้ไม่ต้องพูดขันห้าก็ได้ไม่ต้องพูดธอะไรก็ได้เพราะมันเป็นเองแล้วพื่อกลับมาให้มันเป็นนางสันนะมันจะเป็นได้อย่างไรฮะโบปฏิบัติเอามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอันเนี้มันูขึ้นอยู่กับการเห็นแจ้งอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการรู้จริงอันเนี้ยมันของจริงมีอยู่นางสันจริรู้มันก็มีอยู่นางนั้น โมลูมันก็มีอยู่อย่างสันเพลินว่านิพพานนั้นจึงว่าอามาใช้กับการขับงานอยู่ใสต้องใส่นิพพานนิพพานจึงว่าเป็นของทุกคนโลกนี้จะไม่ว่างจากาารพระอัหขันเพลินวะอย่างนั้นหากมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยยูนเห่าบวาเหตุซุมือเดียวเนี่ยโลกนี้จะไม่ว่างจากาารพระลังขันเพลินว่าขันธทียอยู่สงบแล้วเนี่ยสงบตายจังไหนพระวักกะลิกพระพุทธเจ้าบอกนีไปให้คนผมคิดอันนี้เพลินว่า ก็าเ่ยจะสงบได้อย่างไดบิดูโกคิดถึงอันนั้นคิดถึงอันนี้เนี่ยบิดูกกคิดหักคิดสังมันบดสงบอันนั้นมันสงบตั้งแต่กายตัรูปนี่ซื้อใจมันบดสงบได้เนี่ยนี่ให้เข้าใจอย่างสันที่หลวงพ่อนํามาไว้ฝังมื่อนี้มีทางภาษามึงเลยพร้อมเพราะหลวงพ่อขันทาวาอย่างซีต้องว่าภาษาเมืองเลยเนี่ยให้หลวงพ่อว่าภาษากรุงเทพนี่กับวากับวายากแล้วเพราะว่ามันบวกเคยได้มันมาเฮียนเอาไม้ได้เนี่ยเนี่ยหมดก็ต้องหักว่า ปัญหากันยังผิดไปหลายอยู่ความเพี้ยนไปมันเป็นอาาะไรตนนี้จึงว่าให้หูจักจริงๆเรื่องกรรมฐานเรื่องวิปัสสนาเนี่ยให้หูจักจริงๆกรรมฐานนั้นอนกับบว่าให้ผู้นั้นล็กบบกนนอกหลวงพ่อวา่ามันเบียดเบียนตนเองหลวงพ่อเฮ็ดมาแล้วอันนี้ยบุคคลศึกษาและบุคคลปฏิบัติหลวงพ่อวา่าตะกี้หลวงพ่อศึกษาตะก้อนน้นหลวงพ่อปฏิบัติเดี๋ยวนี้เสารแล้วหลวงพ่อโบเฮ็ดแล้วท้ายที่สุดก็ยินดีน้ำบัว่ายินดีน้ำบัห้ามถ้าเฮ็ดไปแล้วขันพุททุกหนก็ดี ถ้าบกพรนทุกเรื่องเสียเวลาอืเสียเวลาการไต่กันมาเสียเวลาการทํามาหากินเสียเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรถ้ามันบกพรุนแล้วดีดบดทุกอย่างจังว่าให้มันรู้จริงๆเหาชี้เห็นอย่างต้องให้มันรู้จริงๆเพราะเหามีสิทธิเต็มที่แล้วเดี๋ยวเนี่้จะเป็นมนุษย์แท้ๆเป็นอิสระแท้ๆเป็นคนไทยแท้ๆบกพรุนอะไรมาปิดบังได้แท้ๆจังว่าเป็นอิสระเด้คลยทาอิสระนี่บุษยวิทย์พูดอันไรพูด อยาก ว, านนว่าวอันไหนว่าวไม่มีอิสระแบบนั้นเนยอิสระนี่นะหมายถึงมันพ้นจากผมคิดมันเห็นแจ้งมันรู้จริงเป็นอิสระแท้โบทูกปุงแดงต่อไปคนวาคนไทยแท้บัดเนี่ยคนไทยแท้ก็หมายถึงอยู่เหนือกิเลสตัณหาอุปทานคนวายถ้าหากอยู่ใต้กิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยว่าเป็นคนไทยอย่างเป็นทาสเขายู่คนวาย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 เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตรถาคตนี้นันให้เราได้ประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้อันใกล้ๆนี่เนี่ยจวนใจบุนรุมหายใจเนี่ยให้เราแน่ใจจุดนี้มันขาดไว้ตั้งแต่ผู้นี้สดีกลัวอยากสวัสด์ว้ยมืดไปนี่กันอยากสวัสด์ให้ห่าไปด้วยแจ้งแจ้งเนี่ยขอให้ทุกคนทุกคน มีดวงตาเห็นธรรมเห็นเอาจริงๆในเวลาอันใกล้นี้จงทุกทุคนเธอ